เจ็ดอภพพสสูตว่าด้วยผู้ไม่อาจให้ธรรมเกิดขึ้นเก้าสิบเอ็ดิทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้ไม่อาจให้ธรรมหกประการเกิดขึ้นได้ธรรมหกประการอะไรบ้างคือ 1. สักยทิฏฐิ 2. วิจิกิจชาสามสิลปตะปรามาต 4. ราคะที่เป็นเหตุให้ไปสู่อบาย 5. โทสะเป็นเหตุไปสู่อบาย 6. โมหะเป็นเหตุไปสู่อบายภิกษุทั้งหลายบุคคลพูดถึงพร้อมได้ทิฏฐิเป็นผู้ไม่อาจให้ทำา6ประการแลเกิดขึ้นได้อาภาพปสูต ท, ที่7 จ, จบ